ความจริงไม่ใช่แต่ศีลเท่านั้นแม้ข้อวัดต่างๆมากมายในการถือทูดงข้อหนึ่งข้อหนึ่งซึ่งไม่ใช่สิ่งจำเป็นแก่ตัวท่านและไม่ใช่ข้อบังคับในวินัยพระอระหันต์บางท่านก็ปฏิบัติโดยสม่าเสมอเพื่อเป็นที่ธรรมสุขวิหารส่วนตนและหวังจะอนุเคราะห์ชนรุ่นหลังให้ได้มีแบบอย่างที่ดีงามศีลกับรสแตกต่างกัน ตามนัยยะคำพีมหานิเทศว่าศีลหมายถึงการสังวรยับยัง้งไม่ละเมิดพรตตรงกับบาลีว่าว่ตตหมายถึงการสมาทานถือปฏิบัติก็ปฏิบัติที่เรียกว่าธุดงทั้งหลายเรียกว่วัตต์หรือพรตเท่านั้นไม่เป็นศีลแต่บาลีฉบับอักษรไทยสับสนเอาวตตคือพรต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 เป็นเหตุให้ศีลพรตข้อวัดระบบระเบียบพิธีการเหล่านั้นขยายรูปแปลกประหลาดพิสดารเตลิดออกไปเป็นข้อปฏิบัตินอกแนวทางของพระพุทธศาสนาหรือรักษาศีลมำเป็นระเบียบปฏิบัติต่างๆโดยมีตัณหาทิฏฐิแอบแฝงอยากได้ลาบยศสันเสริญสุขสวรรค์เป็นผลตอบแทนมุ่งหวังจะได้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้จนบทบังความมุ่งหมายที่แท้จริงและปิดกั้น